ย่อๆจบมาเสร็ยย่อๆที่ ดูปฏิติแบบย่อๆที่มีพาะรูปหนึ่งได้กราบทูนถามพระพุทธเจ้าว่าใครจะเจา้าจะปฏิบัติอย่างไรเราว่าที่พระองค์พูดไม่มากมายเกินถ้าต้องการย่อๆพอจะมีไหม พุทเจ้าก็เลยตรัสว่าม่ไม่ยากเลยสัพเพ ธ, ธรรมานาลังอภินิเวสายสสสะสิ่งตั้งปวงสิ่งตั้งปวงก็เคยทั้งหมดนั่นแหละสิ่งตั้งปวงทีนี้ขยายออกไปนิดหนึ่งว่าสิ่งตั้งปวงเนี่ยตาหูจมูกลิ้นายใจคือสิ่งตั้งปวง รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์คือสิ่งทั้งปวงจารกโกวิญญาณโสตาวิญญาณก า, รกระทท า, ากนะวิญญาณชิวหาวิญญาณมโนวิญญาณคือสิ่งทั้งปวงการกระทบทางตาการกระทบทางหูทางจมูกลิ้นกายใจคือสิ่งทั้งปวงเวทนาความพอใจไม่พอใจหเฉยเฉยก็คือสิ่งทั้งปวง ดังนั้นสิ่งทั้งปวงนี้เราต้องไปทำความกล้าใจอีกครั้งหนึ่งให้เรารู้ว่าสิ่งทั้งปวงทั้งหมดสามสิทธาหูจมูกลิ้นกายใจหกนั่นคืออายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมอายตนะภายนอกหกนั่นคือคู่กันจับเป็นคู่คู่คู่คู่แล้วก็วิญญาณต่างตาวิญญาณทางหูทางจมูกลิ้นกายใจลงมาข้างล่าง เราตั้งเรียงลําดับเป็นเรียกว่าเรียงหน้ากระดานแล้วก็เอาลงมาข้างล่างตารูปจักกูวิญญาณความรู้สึกต่างๆปัจจัการกระจบต่างๆตารูปจักกูวิญญาณปัจจัแล้วก็เวทนาความพอใจความไม่พอใจแล้วก็โมหะคือความโง่ทั้งหมดสามสิท เราจเรียงลงมาเลยเรียงลงมาเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงเข็นรถโพธิปัฏฐธรรมารมวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกลิ้นกายใจปัจจการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเวทนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้ที่สุดท้ายก็คือใจธรรมารมมาดวิญญาณปัจจาวิทนา ทั้งหมดนี่สามสิบหกห้าสามสิบสามแถวหก้าแถวหกห้าสามสิบสามสิบนี่คือสิ่งทั้งปวงที่เราจะต้องรู้นี่จะต้องวิจัยรู้มันเป็นยังไงมันทํางานอย่างไงเพราะนั้นเราจะต้องให้มันลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างพอเราตั้งเป็นบรรทัดแล้วก็อเอาลงมาข้างล่างมันจะทํางานกันเป็นกู้กู้กู้ก ตาก็เป็นคู่คหูกับเสียงหูกับเสียงกัความรู้จึกทางหูโสตวิญญาณปัจจาการกระทบเวทนาความพอใจไม่พอใจเฉย ๆ, ๆนี่ใจธํจมารมมโนวิญญาณปาัจจัเวทนานี่สิ่งทั้งปวงดัะนั้นสิ่งทั้งปวงอันใครๆไม่ควรเข้าไปยึดมัน่นถึงมัน ว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนพระพุทธ เ, จ, เจ้าตัดย่อๆตัดย่อๆทีนี้ถ้าเราภานาว่าสินทั้งปวงนี้เกิดดับว่างกับตัวตนเี่เราว่าไม่ผิดครับสิ่งทั้งปวงเกิดดับว่างกับตัวตนสิ่งทั้งปวงก็คือทั้งหมดนี้แหละสามสิบนี้แหละสามิบนี้สิส่งทั้งปวงเกิดดับว่างกับตัวตนเราจะดูตัวไหนก็ได้ เราจะดูที่ใจก็ได้ดูที่ตาก็ได้ที่หูก็ได้ที่จมูกก็ได้ที่ลิ้นก็ได้ที่กายก็ได้ที่ใจก็ได้นี่คือสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงอันไกลไกลไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมันว่าเป็น ต, ตัวตนว่าเป็นของตนทำไมจึงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมันเพราะสิ่งทั้งปวงมันเกิดดับและมันว่างจากตัวตนเกิดดับว่างเกิดดับว่างเกิดดับว่างเกิดดับว่าง มันอยู่อย่างนั้นเลยอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันเกิดดับว่างเกิดดับว่างเกิดดับว่างนี่นี่คือปัญญาทีนี้ถ้าหากว่าเราปฏิบัติตั้งแต่พุทโธมาอะไรมากราจะภาวนาแล้วก็ภาวนาไปพอภาวนาแล้วมันก็เพ่งเพ่งพเเพ่งเพนั่นคือฌานนั่นคือฌานเราเงเพ่งเพ่งเพ่งเพเพ เรา เ, เพิธธ่งจะพุทโธแต่เราไม่รู้ว่าพุทโธคืออะไรแต่ถ้าเรารู้ว่าพุทโ ธ, ธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใครก็ได้รู้อริยสติรู้กันหน้ารู้ปฏิจจธรรมุประบาททั้งขึ้นทั้งล่องทั้งตรงกลางทั้งด้านปลายทั้งด้านล่างด้านบนเนี่ยเรารู้หมดนั่นคือปัญญาทีนี้ฌานนี่ยมาแต่เพ่งได้แต่เพ่งฌานอะได้แต่เพ่งเพ่งเนี่ยก็รู้เหมือนกัน เรื่องวิญญาณอย่างเนี้ยพอเป็นเรื่องวิญญาณวิญญาณที่เรารู้มานั่นมันเป็นวิญญาณภายนอกวิญญาณปีสาจเทวดามารพรหมเทพวิญญาณภายนอกฉะนั้นวิญญาณมันก็มีหลายวิญญาณต้องรู้จักแยกวิญญาณภายนอกแต่นี่วิญญาณภายในก็จักกูวิญญาณคือความรู้สึกต่างๆนั่น ความรู้สึกทางตาความรู้สึกทางหูความรู้สึกทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั่นคือวิญญาณไฟในวิญญาณที่เราจะต้องรู้แล้วก็ดับทุกได้วิญญาณกับวิญญาณดับวิญญาณว่างทีนี้เราก็รู้กับรู้ดับรู้ว่างทนี้ไอที่รู้รู้รู้นี่ขอเอ่ยนามหน่อยอาจารย์นวลจันทร์นะปุรารู้รู้ ร, ร, รู้จน ลูกศิดย์หายหมดหายหมดนั่นก็คือฌานเหมือนกันเอาแต่รู้แต่ไม่รู้เกิดรู้ดับรู้ว่างเพียงแต่รู้อย่างเดียวรู้ด่วนด่วนนั่นคือรู้ด่วนด่วนถ้าไปเป็นฌานถ้าไปเป็นญานผู้รู้ก็ว่างสิงที่ถูกรู้ก็ว่างรู้เกิดรู้ดับรู้ว่าเนี่ยมันจะว่างหมดว่างหมดนี่คือวิปัสสนา ทีนี้ท้าสมถาสมถะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจะกว่าใจจิตตะตาที่เป็นดาบวบดพระองค์ก็ไปศึกษาไปเรียนมาสองสานักสํานักอารารดาบดสํานักอุตกาดาบดเพราะเขขึ้นชื่อในสมัยนั้นพระองค์ก็ไปศึกษาไปเรียนมาไปเรียนรูปปัจาันทรูปรูปปัจจันร์ก็มีวิตกวิจารปิติสุเกกกตา นี uhm. ่เรียกว่ารู้ประชานรู้ประชานก็อากาสานันใจยตนะวิญญาณนั่นใยตนะกินใจยตนะเนวสัญญาณนั่นใยตนะนี่รูปรานอันี้เราจะทำวิปัสสนาเราอาจจะกล้าใจผิดว่าเราจะต้องทาฌานให้จบไม่จาเป็นถ้าเราความรู้มันไม่พอมันไม่ถึงแล้วก็เอาตรงตามก็พอ ยกขึ uh ana, ana, dancing, ow, yan, ้นวิปัฒนาได้เลยนั่งพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธปจิตสงบยกขึ้นถวิพัฒนาพิจารณาเกสาโรมานะคาตันตาตาโจตโจตันตานะคาโรมาเกสาอนิจจังคืออะไรตุกขังคืออะไรอนัตตาคืออะไรนี่พิจารณาไปเส้นผมนี่เส้นผมเส้นว่าพอเริ่มวิตุวิตุวิจารณเอาสองก็ าอาจารย์อาสองข้นี่ก่อนวิตกวิจารวิตกแปลว่าตรึกวิจารแปลว่าตรองแปลว่าตรึกแล้วก็แปลว่าตรองนี่มันคู่กันวิตกวิจารปีติสุขเอกกตานี่คือรูปฌานไอ้ น, นี้เรานั่งพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเราก็จะมาตั้งโน้แเนี่วันว่าตาต่อเนี่พุทหายใจก้าวโตออกพุทก้าวโตออกหรือว่าถ้าทำอาณาปานาันสติก็หายใจ ันหาใจยาวอายใจยาวอายใจยสันจ้นเราว่ากันไปแต่ว่าอานาปนสตกิก็เริ่มต้นจากชานแล้วพอไปถึงข้อที่อานาปนาปนสติจะมีสี่ข้อสี่ข้อสี่ข้อสี่สามสิบสองพอไปข้อที่สองไปข้อที่สองก็เริ่ม คือสี่ข้อแล้วก็แปดข้อข้อที่เจ็ดข้อที่แปดข้อที่เจ็ดข้อที่แปดไปดูเนี่ยข้อที่เจ็ดข้อที่แปดมันจะเริ่มก้าวถูวิปัตนามพอเริ่มก้าวถูวิปัตนาก็ข้ามจิตเลยที่มีจิตหนึ่งรู้จักจิตสองทำจิตได้ปราโมทย์สามทำจิตตั้งมั่นที่ปลอยจิตแล้วก็ไปสี่ข้อ คือเป็นวิปัจนาอนิจจานุปัฏฐิวลาการอนุปัฏฐินิโรธานุปัฏฐิปฏินิสการุปัฏฐินั่นปล่อยปล่อยวางเลยปล่อยวางให้ธรรมชาตินั่นเป็นวิปัชนาทีนี้ส่วนที่เป็นสมถะคือข้อสีอ 5, อ 6, ่ข้อห้าข้อหกนันเป็นสมถะข้อเจ็ดข้อแปดเริ่มเข้าวิปัชนะสิเนีจนเก้าที่สิบที่สิบสองที่สิบสามที่สิี่ที่สิบห้าที่ิบก เป็นวิปัชนาหมดนี่ทจนี้เราเริ่มต้นว่าการทําสมถะคือพุทโธพุทโธแล้วเราก็เปรย์ได้เพราะเราทํางปัจ้าวตั้งปัจจัยพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบวรบานเจนี้เราว่าพุทโธพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เวรบานแต่เราดูที่ตัวพุทโธเอง เขาไม่ข้ามใจภาษาพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันพู้พู้มันจะกู้พูทีนี้พอไปเห็นอะไรกกูหมดนั่นแหละจะตายแล้วตายแล้วตรงนั้นแค่ตัวเดียวตายแล้วพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปเป็นกูรู้กูตื่นกูเบิกบานบ้าเลยทรนั่นบ้าแล้วเห็นไหมเนี่ย โป๊้าในรูปฌานแก่นั่นเองเริ่มบ้าแล้วทีนี้ถ้าเป็นวิปัสนารูปฌานนี่เป็นยังไงวิตกวิจารณ์วิตกคือตรึกวิจารณ์คือตรองเริ่มต้นด้วยปัญญาเลยอุปชาท่านจะสอนเกจารมาหนาา้าาตันตาต่เจตาโตจตันตาหน้าต า, า, ต า, า, ต า, า, ตาโรมาเ ก, าเากเาาจารเราพอออกมาวิตกแล้วว่าเอ อ, อเช่นผมพอจิตเป็นสมาธิ เช่นผมสีดำดยาวยาวกลมกลมงออยู่บนหนังสีสาหนังสีสาก็กปก็นกปรกอาหารของเช่นผมมีน้ำเลือดน้ำหนองให้เห็นไปเลยมีน้ำเลือดน้ำหนองเป็นอาหารหน้าที่การงานสำหรับรับกี่พน ป้องกันความหนาวความร้อนอาหารของมันก็จบกับปรกสีสารก็จบกับปรกหน้าที่การงานก็จบกับปรบแล้วตัวมันเองก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจากที่เราก็เป็นสีดำจากสีตดำก็เป็นสีขาวก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกันนี่มันความเป็นอนิจจงเช่นผมเนี่ยมันเป็นอนิจจ์มันไม่เที่ยงอย่างนี้ แค่มันงอกยาวยาวยาวต้องตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งโกนทิ้งโอ้มันอย่างนี้เองนี่วิปัฒนาเริ่มแล้วได้อย่างนี้วิปัฒนาเริ่มแล้ววิโตวิจารนี่เดี๋ยววิโตเจ้าขอวิจารทีนี้พอวิปัฒนาเริ่มแล้วจิตมันก็ซื่นตันเกิดวิตรีขึ้นมาเห็นไหมเกิดวิตรีขึ้นมาแต่ยังอยู่ในช้านั่นแหละเกิดวิตรี อุ้ uh, ยอิ่มใจอิ่มใจ ร, ร้องไห้ร้องไห้น้ำตาเลยพรอาบแ้มดีใจทยังไงไอแม่ของเราได้รู้เรื่องนี้ด้วยจะได้สบายใจนี่ก l คิดไปอย่างนั้นแหละคิดไปอย่างนั้นทำยังไงทีนี้พอต่อมาก็เกิดพิธีอิ่มใจอิ่มใจอิ่มใจอิ่มใจอิ่มใจอย่างไรพระใจไปดุ ท่านก็จัดไว้ว่าพระพุทธเจ้าจัดไว้ว่าเหมือนกับพิธุรูปหนึ่งเอาน้ำมันใส่บาตรใส่ในบาตรจนเต็มบาตรเต็มบาตรก็เดินประคองน้ำมันไม่ให่น้ำมันนั้นมันหกเราลองคิดดูทางมันเสมอด้วยไม่เสมอเราเดินต้องทำดูลหมหายใจต้องอะไรต้องประคับประคองกันหลวงพ่อห้เลยคิดว่าโอ้ี่ ตอนที่เราเด็กๆ เ, เราก็ทำสมาธิพอาได้ปราตัวโ ต, วตวมาตัวนึงก็แกงเต็มหม้อเอาไปอ่นบ้านนั้นถ้วยนึงบ้านนี้ถ้วยเสร็จ แ, แล้วเออเอาแกงไว้บ้านนั้นถ้วยเราก็เดินถือถ้วยแกงไปถ้วยแกงไอ้มือสี่นิ้วเนี่ยอยู่ที่ก้นถ้วยอัวแม่มือเนี่ยต้องอยู่ที่ปากถ้วย เดินก่อกๆเดิน ก, กน่อยๆเดิน่หญ่น้ําแก้มโนกนี่วิปัสสนาไหมธรรมะไหมที่ตรงนั้นลองคิดดูมันต้องทําสมาธิถ้าไม่ทํำสมาธิเหลือแต่ผากกับเนื้อปลาเนี่ยหมดแต่นี่พระที่ท่านเดินประคองบาทนะบาทที่เต็มด้วยน้ํามันเออในสมัยโน้นบาทที่เต็มด้วยน้ํามัน อ่านต้องประคองไงน้ำมันมันหกนี่แล้วมันอยู่อย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าปีตินั่งก็สบายสบายสบายปีติอิ่มใจอิ่มใจอิ่มใจอิ่มใจเดินก็อิ่มใจอิ่มใจเดินตัวแข็งคื่อเลยตัวแข็งคืออิ่มใจอิ่มใจอิ่มใจวันนีแต่อิ่มใจไม่ใจยิ่มใจอยู่หนึ่งชั่วโมงอิ่มใจเป็นวันเป็นคืนเป็นวันเป็นคืนเป็นวันเป็นคืนเนี่ย ข้าวจานนานนับเดือนไม่กเยือนเคลื่อนกายยาจำเสียงกินวาตามีความสุขทุกคืนวันนี่ในประเทศที่ทางติ๊กเหนือของประเทศอินเดียคือประเทศเนปาลก็มีเด็กคนหนึ่งอายุสิบสี่สิบห้าปี เขาก็สนใจในการปฏิบัติธรรมไปนั่งในโพรงของต้นโพเมื่อ2องามปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในฌานไม่ต้องกินอะไรเป็นเดือนเป็นเดือนไม่ต้องกินอะไรเพราะมันมีแต่ปีติปีติปีติปีติปีติกินแต่ปีตินี่หละก้าวฌานนานนัำเดือนไม่กระเยื้นเคลื่อนกายยาวจำศีลกินวาตามีความสุขติเกินวันนี่ความสุขในฌานทีนี้ ขอไปไม่ได้อวนนะนี่บอกให้รู้กันว่าสลวงพ่อที่ทําอย่างนี้ยังไม่ได้บวชแต่ว่าจะบวชแล้วตกลงว่าท่านอาจารย์จะให้บวชแล้วก็ทาจนเกิดอย่างนี้ขึ้นมาพอเกิดอย่างนี้ขึ้นมามันบอกไม่ถูกว่าอย่างไรต้องไปกราบเรียนท่านอาจารย์พุท ธ, ธาธิษานท่านบอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าไปยิดมั่นถือมันม่นๆ พอได้จะก้าวันหรือเจ็ดวันมันก็ลายกลายปีติกลายพอปีติกลายเป็นยังไงอีกล่ะจ้องก็จ้องดูมันจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกะมันจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยราก็ต้องจ้องจ้องจ้องจ้องจ้องมันจ้องทีนี้พอจ้องดูดูดู ด, ดูจากปิติมันหลุดเราไม่เอาแล้วปีติเบื่อแล้วมันนานเหลือเกินนาน เ, เกินเบื่อแล้ว เกิดอะไรทีนี้เกิดสุโอ้ยมันเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจมันมีแต่ความเย็นอกเย็นใจบอกไม่ถูกเหมือนกับว่าเราร้อนร้อนมาไปเดินตานแกแดดมามีคนเอาน้ำแข็งไม่ต้องใส่น้ำหวาหนให้าาแก้วเลยออามันชื่นใจมีความสุขเลิศเลยนี่ความสุขสุขเที่ยนี้มันก็ตีลุด ทีน oh, ok ี้ก็เบื่อแล้วหลุดแล้วเอาฉุกทีนี้เอาฉุกอีกก็ฉุกฉุกฉุกฉุกฉุกอยู่นะเย็นอกเย็นใจเย็นอกเย็นใจเย็นอกเย็นันสามวันทีวันหน้าวันหกวันเจ็ดวันทุกทุกวันเราก็เบื่อเลยทีนี้ก็เบื่ออีกเลยเบื่อแล้วมันนิ่งไม่เอาแล้วเวยไม่เอาปล่อยวางฉุกอีกอล่อยวางฉุกจิตเป็นหนึ่งทนี้จิตเนี่ยมันเป็นหนึ่งพจิตเป็นหนึ่งเนี่ยมันนิ่ง ไปข้างหน้าเหมือนกับว่าเรามีเรืออยู่ลําหนึ่งเป็นเรือปายเรือปายเราก็นั่งพายไปนั่งปายไปแล้วก็ขัดท้ายไปนั่งพายสองสามเช็ดแล้วบอกัดท้าเพราะน้ํา ม, มันไหลนี่น้ํำในกรองเลยในนั้ามันไหลมันไหลเรื่อยนี่น้ำ ม, มันไหลแล้วเราก็ขัดทด้ายไปไปหน้าเรื่อยไปหน้าเรื่อยนี่ เอกะกะตาจิตจิตนี่มันเป็นหนึ่งเดียวจิตหนึ่งเดียวนี่แรีย ว, ว่าเอกะกตตาวิตกวิจาร น, นี่คู่กันวิตกวิจารปีติสุขเอกกตต า, ต ว, านนวิตกวิจารหนึ่งวิตกวิจารณปีติหนึ่งสุขหนึ่งเอกะกตตาหนึ่งเป็นฌานสีนี่คือฌานสี อัี้พอสารจารสี่เป็นเอกกาตาเจ้ามีอะไรอีก็ดูคือเอกกาตานี่ต้องฉะนั้นต้องไปขึ้นอารมณ์ไม่ใช่ไปขึ้นอารมณ์ระเปะิะปรามีอะไรเล็กเนึ่ยก็ขึ้นอารมณ์มีอะไรหนึ่งก็ไปขึ้นอารมณ์เด็กปัญญาอ่อนอย่างนั้นต้องรู้จักคิดไม่ใช่มีอะไรน่าอาจารย์นี่เป็นยังไงหลวงพ่อนี่เป็นยังไงไม่ต้องถามว่าเป็นยังไง วัดเรานี่ก็เหมือนกันแหละเพรามีอะไรหน่อก็ถามมีอะไรหน่อยก็ถามอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญาอ่อนปัญญานิ่มคิดแต่จุดความสามารถก่อนถ้าหมดความสามารถแล้วคิดไม่ออกมาถามได้เลยนี่นี่จะ อ, อะไรหน่อยก็ถามอะไรหน่อยก็ถามมันก็เลยไม่รู้จักใช้ปัญญานี่ไม่ใช่ว่าขี้เกียจที่จะแก้มันแก้ได้หมดอหะแป่ว่า ใช้ปัญญาจุดความสามารถก่อนนั่นแหละคือา ก, การเดินถุวิปัชนาะเดินเก้าถุวิปัชนาะทีนี้พอเอกกตาจิตเบื่อแล้วเบื่อเอกกตาจิตจิตหนึ่งเดียวนั่นก็เบื่อแล้วนจิตหนึ่งเดียวนั่นเราลองคิด ด, ดูดัวเราจะทำอะไรทักอย่างหนึ่งตรงใช้จิตหนึ่งเดียวนั่งเพ่งเรานั่งเพ่ง เพ่งเพ่งว่าเอออันนี้มันเป็นยังไงทำอย่างนี้แล้วก็จะทํำยังไงจะทํายังไงทำยังไ ง, ง, ไงต่อไปต่อไปทํายังไงอีกนี่แก่ปัญหามันเกิดเอ้านั่งเพ่งแก้ปัญหานี่ยังไงยังไงยังไงนี่ยต้องใช้จิตหนึ่งนี่ก็เรียกว่าจิตหนึ่งคือมันไหลไปด้วยกันกับงานที่เราทํานั่นแหละถ้ามันไหลไปด้วยกันไว้โลกขวดกระยาอย่างนี้มันตั้งมากกวัด ทั้งคนกว่าและกว่าทิ้งที่ตรงไหนให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดทั้งไม้กว่าทั้งคนกว่าทั้งกระยาทั้งถนนเป็นอันหนึ่งเดียวอันหนึ่งอันเดียวกันหมดแล้มันกดเปลี่ยนโลกแล้วพอมองดูข้างหลังก็สบายโลก น, นี่นี่เรียกว่าเอก ก, การตาจิตเป็นหนึ่งเดียวชื่ออย่างนี้เรียกว่ารูปประจานทีนี้ก็ ต่อไปขึ้นอารูปฌานขึ้นอารูปฌานเนี่ยตรงละเอียดอนี่ยละเอียดกว่านี้อีกอันนี้ยังหยาบอารูปฌานก็อาการสานันจาญ ต, นะตนาญาตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใเนี่ออยเขเรียนะกว่าอายตนะอาการสานันจาญตนาคืออากาศอากาศเอาอากาศมาเป็นอารมณ์อากาศก็เราไม่ยองเอามากเรเอาออกซิเจนเนี่ยเอาออก๊าซเนีเย่ย เอามาเป็นอารมณออ์เราหายใจยออกอากาศข้าไปข้าวไปตามจมูกออกข้าวไปแล้วอากาศดีข้าวไปอากาศเสียออกมาอากาศดีข้าวไปอากาศเสียออกมาอากาศก็ไม่มีที่สิ้นสุด เ, ออเราหายใจออกอากาศเสียออกไปเสร็จแล้วพไปอยู่ที่ไหนปรอยู่ในหมาก็อยู่ในหมาหมา หายใจเอาอากาศดีข้าวไปอากาศเสียออกมาอิบข้าไปในสัตว์ในโ น, น่นในนี่ในคนเกดแลรงผู้ที่จะทำหน้าที่โรงงานว่เาเรานีมีโรงงานมากคือต้นไม้ต้นไ ม, นไม้รับอากาศเสียแล้วก็ไปตรองันออกมาแต่ว่าเอาไรีไซเคิลจนออกมาเป็นออกซิเจนเหมือนเดิม นีนน่นั่นแหะคือแอร์นั่นแหะคือแอร์แล้วติดแอร์แล้วเป็นโรงงานแอร์แล้วนี่จานั้นอาการไม่มีที่ชิ่นชุดไม่มีที่ชิ้นชุดหายใจขาดกอนหายใจออกหายใจออกแล้วหายใจครับไม่ชิ่นไม่ชุดอยู่อย่างนั้นไม่ชิ่นชุด <oui. S 1> เรียกว่าอากาศจากนั้นเจริญตะนะกําหนดอากาศเป็นอารมณ์ มันก้าวทางตามันก้าวทางหูมันก้าวทางจมูกมันก้าวทางลิ้นมันก้าวทางผิวกายอากาศจาังนะอยู่ได้กับอากาศถ้าเราไปนอกโลกไม่มีอากาศตายไม่ต้องนอกโลกหรอกเราขึ้นเครื่องบินนี่ก็จะต้องมีอากาศให้เราหายใจมีออกซิเจนให้เรานั่นคืออากาศอากาศอากาศอากาศสานันจเจตนะ เอาอากาศมาเป็นอารมณ์โอ้อากาศนี้ก็ไม่มีที่สิ้นสุดมันก็อยู่อย่างนั้ น, นก็อย่างนั้นเองเกิดดับว่างากกดับโกรธตรทั้งนั้นอากาศจ้าหนันใจยตนะทีนี้พอเบื่ออากาศเบื่ออากาศจานันใจยตนะอายตนะที่กาหนดอากาศเป็นอารมณ์อากาศกลางตาทางหูทาจมูกทางลิ้นทางกายหัวใจ อากาศจะอไม่อำมาพฤษกอำมาพานจมองเสื่อมงี่อากาศแต่ไมอากาศอากาศเดือดเจงเลยเป็นอย่างนี้ฉะนั้นก็รีบนักหนารีบตรงใหอ้ออกที่เย็นเร็วๆแพอขาดอากาศหาใจอ้าวิอย่างนี้เป็นอำมาพฤษเป็นอำมพานมันยากแลือกีน เรื่องของอากาศอาันนั้นใจยตนะไอ้พอเบื่ออากาศเมื่ออากาศแล้วไม่เอาแล้วปอแล้วป้อแล้วพอแล้วพอแล้วจ้องอู่เลจ้องดูจ้องดูงดตลวงพ่อก็เคยพูดบอกว่าหลวงพ่อเด็กตุ้งเด็กนานนี้เวลาพอเดือนสามเดือนสามเข้าออกรวงแล้วเราก็จะต้องเบิกน้ํา เบิกช่องน้ําเอวิ่งไหนที่น้ํามากก็ทําช่องน้ำน้ําไหลออกทีนี้ไอ้นกกระยา่มมันก็มาคออยู่ที่ตรงนั้นจ้องมีปลาหลงมาไหมมันจ้อจ้องจ้องจ้องจ้อ ง, องพอปลาไหลลงมาตามน้ํามันก็จิกทันทีจ่องเหมือนนกกระยา่มอย่างนั้นดังนั้นอากาสจนันใจยัตนะ เอาอากาศเป็นอารมณ์เบื่อแล้วพอต่อไปเกิดวิญญาณนัจนจจยันะวิญญาณคือตัวรู้ตัวรู้วิญญาณรู้ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักสิ้นเจนิกาเราการไปยึดถือตัวรู้นั้นบ้าอีกลบ้าอีกบ้าบ้าฌานอีกเห็นไหม ก่อนนั่งเลยก่อรู้เองเพียงแสงแสงเทวดาเห็นนั่นเส็ น, น, เ น, นี่นั่นบ้ารู้บ้ารู้อ้กูเก็งแล้วกูเก่นแล้วกูเป็นพรหลานแลกรู้ไหมกูบ้ า, านแล้ ว, าลาลวคิดไม่ได้ว่าตัวเองเป็นพระลานนี่เปลี่ยงจะคิดตัวเป็นพระลานนี่บอกกับกูนะมันบ้ า, ลาแล้วเนี่นี่วิญญาณอันใจอะนะันนั้นกหนดความรู้เป็นอารมณ์รู้ทางตา รู้ทางหูรู้ทางจมูกรู้ทางลิ้นรู้ทางกายรู้ทางใจทีนี้พอมันอ่าคิดอะไรขึ้นมารู้เห็นรู้เห็นรู้เห็นมันแต่งขึ้นมาเป็นรูปเป็นอะไรขึ้นมามันรู้มันเห็นหมดเห็นหมดนั่นคือวิญญาณจายนะัตนาทีนี้วิญญาณจายัตนะพอมันมีเอาวิญญาณนั้นมาเป็นอารมณ์ อารมณ์ที่มันเกิดดับว่างจากัวตนแต่นี่มันไม่ว่างเลยเอาไปยึดถือวิญญาณต่างๆเกิดดับความรู้สึกต่างๆเกิดดับความรู้สึกทางหูเกิดดับความรู้สึกทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเกิดดับออกมายึดถือหมดบ้ามาแ้วทีนี้ได้มัดแต่อย่างนั้นถ้าไม่มัดก็ต้องเข้าโรงพยาบาลต้องชดฟอย์แค่นั้นไม่ได้นะมันได้แล้วนี่ ขาดบรคการปัญญาเห็นไหมขาดปัญญา น, ะนะา น, านี่วิญญาณนันใจ ย, ยตนะนี่ข้อวิญญาณนันใจ ย, ยตนะนี้เราก็ต้องรู้นะวิญญาณในปฏิจจตสมุปบาทอาวิชารจังขารวิญญาณวิญญาณคือตัวรู้ถามว่ารู้อะไรรู้อะไ ร, ร, ร, รก็รู้นามารูบแบนี้รู้นามารูบ รู้ตัววิญญาณเองว่าวิญญาณก็เกิดดับว่างจากตัวตนวิญญาณรู้นํามารูปรูปเกิดรูกดับรูปว่างเวทนาเกิดเวทนาดับเวทนาว่างจัญญาเกิดจัญญาดับจัญญาว่างจังการเกิดจังขารดับสังขารว่างวิญญาณเกิดนี่ตัววิญญาณเกิดดับว่างนั่นวิญญาณมาอยู่ข้างหลังแถวก็จะได้ดูข้างหน้าเพาอย่างนั้นเดี๋ยวมันไม่ดับ มันเกิดแล้วมันไม่ดับแล้วมันก็จะบ้าอีกนี่เกิดใหม่วิญญาณปรา ะ, ะนั้นไอ้ที่บ้ากับวิญญาณเนี่ยมันเยอะเลยมันเยอะไอ้ที่บ้ากับวิญญาณเนี่ยกูรู้แล้วกูเก่งแล้วเ อ, อคิดแ ล, แล้วก็เห็นไปหมดเห็นไปหมดไม่ได้เห็นเกิดเห็นดับเห็นว่างนั่นแหละตาเกิดตาดับตาว่างรูปเกิดรูปดับรูปว่างจากกูวิญญาณเกิดจากกูวิญญาณดับจากกูวิญญาณว่า อัจจาเกิดปัจจาดับปัจจาว่าเวทนาเกิดเวทนาดับเวทนาว่าเลิกความยึดมัน่นเกี่ยวมั่นทั้งหมดนี่คือวิญญาณัญจายตนะอนี้วิญญาณัญจายตนะอายาตนะกำหนดวิญญาณเป็นอารมณ์กำหนดจนรู้จริงแล้วก็ปล่อยวางต่อไปปล่อยวางวิญญาณต่อไปอีกพอ ป, ปล่อยวางต่อไปอีกก็จ้องอยีแลยนะ ไอ้ข้างในเนี่ยไอ้ความรู้สึกมันก็โจ้องเหยีกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกจ้องดูอยู่อากาสานัญญาตนะวิญญาณัญญาตนะพอมาก็ที่สามของอรูปฌานอากินจัญญาตนะพอถึงอากินจัญญายตานณะว่าไม่เห็นมันมีอะไรอ อยากจะรู้ว่ามันไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอ้ขนไปนอนบนภูเขาดีกว่าจะได้ดูร่องร่องจะได้ดูทะเลจะได้ดูป่ามากอ้ทะเลก็ไม่ใช่ของกูป่ามากก็ไม่ใช่ของกูร่างกายเรือนั่นก็ไม่ใช่ของกูนี่เอาไปยืนที่ตรงนั้นเนี่ยที่ชมวิวไหนบ้านกูอยู่ตรงไหนนี่ของกูแล้ว บ้านของกูอยู่ตรงไหนเรือนของกูอยู่ตรงไหนโรงเรียนของกูอยู่ตรงไหนแต่ว่าวิญญาณนใจยะฐานะว่างหมดพอเราพอยืนที่หน้าผาตรงนั้นอ่าเราไปยืนตอนปากคำเอาปากคำกับคอยกับพิปับฟิปฟับฟิปฟับเต็มไปหมดเออมันเกิดดับว่างเกิดดับว่างเกิดดับว่างไอ้คอยก็เกิดดับว่างไอ้ความรู้สึกนั้นก็เกิดดับว่างเราเกิดดับว่าเกิดดับว่างเกิดดับว่าง ไปตอนเช้ามองไปทางซ้ายมือดวงอาทิตย์ขึ้นแดงแปร์ข bon. ึ้นมาเลยแล้วก็เกิดดับว่างเกิดดับว่างเกิดดับว่างกางวันร้อนก็เกิดดับว่างตอนเย็นไปคลบเหลี่ยมเขาแดงอย่างนี้เกิดดับว่างเกิดดับว่างมันมีแต่ว่างว่างวว่างวงวงมันก็อย่างนี้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นมันมีแต่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับว่างดับกิดตรงนี้วิญญาณรู้ โร่เกิดดับแล้วก็ว่างอย่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมันมันเกิดแล้วมันดับแล้วมันเกิดใหม่อีกแล้วมันก็ดับอีกมันเกิดใหม่อีกก็ดับอีกทีนี้ดวงอาทิตย์มันกั็ดวงเดียวกันนั่นแหละดวงจันทร์ก็ดวงเดียวกันนั่นแหละแต่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเพราะโลกนี้มันหมุนเราเห็นว่ามันดับแต่ทีนี้ไอ้ที่มันดับจริงๆมันก็ดับแต่มันก็ต้องใช้เวลาเป็น หลายล้านปีมันจึงจะดับโลกนี้เขาใช้เวลาหลายล้านปีอยู่มันจึงจะดับแต่มันก็กระจัดกระจายกันออกไปเขากระจัดกระจายกันออกไปมันเกิดความหมอดมขึ้นมาเมื่อไรมันก็เกาติดกันใหม่อะไรกันใหม่ตั้งหนึ่งขึ้นมาใหม่นี่ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเองเห็นแล้วก็เห็นว่างว่างว่างว่างว่าเห็นว่างภายนอกยังไม่มองข้างในต้องมองข้างใน ต네้ออูไอ like ้จิตนี่ก็เกิดดับเหมือนกันเอ่มาแล้วไอ้จิตก็เกิดดับว่างเกิดดับว่างเกิดดับว่าพอรู้เรื่องนี้เกิดดับว่างรู้เรื่องนั้นเกิดดับว่างรู้เรื่องนู้นเกิดดับว่างคือทิ้งแต่ถ้าไม่ทิ้งได้เงินมาอย่างนี้เป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายล้านตกลงวะข้าไปยึดมันถือมันพอข้าไปยึดมันถือมันเงินทองก็ดีอะไรก็ดี เราเป็นทาสมันแล้วเราได้เงินมาดีใจดีใจว่าเราได้เป็นทาสมันรู้ไหมเราน่ะเป็นทาสมันทีนี้ตาางว่า เ, ออเงินก็เอามาใช้จ่ายเอามาไม่ใช่ทุรุทุรไลาการเป็นอยู่แลกเปลี่ยนถึงนั้นสิ่งนี้อย่าไปหลงเสร็จแล้วมันเป็นทาสเราทีนี้เราไม่เป็นทาสมันมันเป็นทาสเรา มีคนที่มีความทุกข์เพราะมีเงินมากเป็นท่านเงินได้เงินมาได้ก้าวได้กองมาได้อะไรมาเป็นทานจริงนั้นถ้าเราเข้าไปยึดมั่นถือมันถ้าเราไม่เข้าไปยึดมั่นถือมันเราก็มีเงินเหมือนกันแต่เราไม่ยึดมั่นถือมันเราเอาไปใช้เร า, าเอาไปจ่ายเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเองกับครอบครัวอย่างนี้อย่างนี้เราไม่ได้เป็นทานมันเงินมันกระดาษแท้ๆเลย แค่เราทำไมโม้กว่ากระดาษแค่ไหนเขาทำมาจยางอร่อยเนี่ยเงินเนี่ยทำไมมันมีอิทธิพลนักหนาเห็นไหมนี่ทีนี้หูว้่างต้องว่างก่อนที่พระจะฉันนี่วันที่วัดนี้แหละเอาเข้าวเอากับโเอาแกงนำพ ร, ริกปลาทูอะไรมาใส่บาทมานั่งท่องกาถากาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือกาถาว่าง สักจว่าธาตุว่างไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขายะถาปัจจะ ย, ยังปวัตจะมาดังตุตุมัตเมเวตังเนี่ยจิงเหล่านี้นี้เป็นสภาวะตามธรรมชาติตาวนั้นกําลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนอ่างนี้มันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัะของมันที่มันมาเป็นอย่างนี้ก็เพราะเหตุเพราะปัจจัยแล้วเราก็ามากินเอามาทานเอามาฉัน เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ามผูกนี้มันกดท้ายออกไปอะไร็วไปเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทางนั้นยึดมันถือมันอะไรไม่ได้อืเราก็เลยมาท่องกาถาหัวใจของค า, า, าถาแยถาปัจจะยังปฏิสังขารโยตธรรมอยากแยถาปัจจะยังจะต้องท่องตั้งแต่รับบาตจากแต่ ว, ว่าตาว่างตาดวางตาดวาง เป็นข้าวเป็นกับเป็นขนมเป็นผักเป็นปลาเป็ น, นอะไรก็ตามคาดว่างคาดว่างแต่กล่าว่าเข้าไปยึดรืออย่างพระโบราณ่ะเขาจะต้องท่องยะถาปจัจจยังเพระวัาตมา น, างามนามาังา ท, ทาตุมัตเมัตังยะติตังท่านกิวอนกีวอรังจัตุปปุญจะโกจะปุกการุท้องแต่ภาษาบาลีไม่รู้จะคำจะรู้วภินัยว่าอะไรจะไม่ประโยชน์อะไร อย่างนั้นก็เรียกว่าศีรับประดับประมาทเอาทีนี้เรามาท่อง่าถ า, าปัวปยอย่างตอนที่รับบาตรสักแต่ว่าเป็นของว่างเรามาท่องตอนที่ก่อนที่จะฉันมาเซ ก, ก่อนเซกด้อาหารนี้ที่อยู่ในบาตรนี่เป็นของว่างเขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยกันเขาว่างทีนี้คิดขึ้นมาได้ว่าของเซงก็นะขอนกายเซง ก็มีผู้ปฏิบัติทำคนหนึ่งแคก็ชงัยเหมือนกันสอนมากจริงๆไม่รู้จะเอาอย่างไรดีไม่รู้จะเอาประโยคไหนมาปฏิบัติเหมือนกับคนนั้นเล่นหวยนั่นแหละไอ้หูเออหวงพ่อบอกเด็ดเด็ดทักสามตัวพอบาทีถามหลวงพ่อบอกเด็ดเด็ดสามตัวพอหวงพ่อก็บอกว่าอย่าเอาเลยสามตัวฉันเมตตา ม, มากจะให้หมดทั้งสิบตัวนั่นแหละ ไปเลือกเอาเองนั่นถ้าเลือกตรงก็ถูกเลือกไม่ตรงก็กิ น, นทีนี้นายคนนั้นพอไปเจออาจารย์ใหญ่ค่ับหลวงพอ่พอบอกเด็กๆชักไม่กี่คำให้เอาปฏิบัติแล้วก็มันเปรึบขึ้นมาเลยอหลวงพ่อรูปนะั้นนั่นอะไรน้ามันอยู่ในขวดใช่ไหมนั่นอะไรน้าครับอ๋อ โน่นอะไรกอนอากาศเมฆครับแค่นั้นเองพุ๊บปัญญาแตกทันทีอืมทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุทำปัจจัยน้ํากลายเป็นไอไอกลายเป็นเมฆเมฆกลายเป็นก้อนกนกลายเป็นน้ำมันก็อีกอย่างเดียวกันหลเสร็จแล้วให้เป็นเมฆอยู่ตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้เมฆก็ว่างกนก็ว่างไอก็ว่างน้ําก็ว่างว่างหมด ทุกอย่างว่างหมดว่างจากตัต้นไม่ใช่ว่างไม่มีไอว่างไม่มีมันว่างโง่ว่างอันตรธานว่างอันตรธานมันคือกลิ์นั่นแหละว่างอันตรธานคือเทียงกับท่านอาจารย์พุทธทาสทีนี้อันนี่คือว่างจากตัวตนเป็นเมฆตลอดไปก็ไม่ได้เป็นฝนตลอดไปก็ไม่ได้เป็นไอตลอดไปก็ไม่ได้เป็นน้ําตลอดไปก็ไม่ได้ มันหมุนอยู่อย่างนั้นเนี่คือมันว่างจากโกตตนทุกอย่างว่างจากโกตตนเนี่ยทีนี้ไอ้ข้าวน้ําอะไรทุกอย่างเนี่ยมันว่างจากโกตตนทางนั้นนี่สอนเด็ดเด็ดเด็ดเด็ดเหมือนกันทีนี้นั่นกองเสซนแต่พระพุทธเจ้าเซนก็ไปจากของพระพุทธเจ้านั่นแหละไปว่าไปแต่งขนแดงออกไปพระพุทธเจ้าเลยแต่ว่าจ ร, ริงตั้งปวงอันไกลไกไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่น ว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนน้ําก็ไม่มีตัวตนเม่ก kind of ็ไม่ม kind of ีตัวตนคนก็ไม่มีตัวตนไอ้ก็ไม่มีตัวตนนี่มันไม่มีตัวตนคือมันว่างจากโกตตนเห็นไหมก็เลยที่เซนก็ไปสอนก็เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตั้งสอนนั่นแหละว่ามันว่างจากโกตตนนี่นี่คืออากินจัญญาจะฐานะแต่อากินจัญญาจะฐานะเนี่ยดูแต่ภายนอก เราดูแต่ภายนอกแต่เราต้องดูภายในยด้วยดูภายใ น, ย ด, ยนยดูที่จิตใจธรรมารม น, นุวิญญาณปัจจาวินาเนี่อาวียดมั่นถึงมันอะไรไม่ได้อาเมื่อปีสปีที่ผ่านมาไปอินเดียแล้วก็ไปเนปาลอ่าไปเนปาลที่นี้เราก็จะเป็นพักโรงแรมที่เจ้างคนมาเลยก็ได้เวลาถี่้า เริ่มแล้วดวงอาทิตย์จะแดงจะขึ้นสีแดงแจ้ขึ้นมาอที่โพค่อยมาได้ก็เดง้เด ง, ด ง, ด ง, ดงดยมก็กลแดงแดงแดงแดงแดงว้าวว้าวว้วววขึ้นแล้ก็แดงเฟ้ดเลยพอพอก็ถามยมเห็นอะไรบ้างอ่ะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้น่วยงามมากเห็ทนกี่ดวงอ่ะดวงเดียวดวงอาทิตย์มีกี่ดวงอ๋อ ก้างในก็มีอยู่ดวงหนึ่งก้างใดก็มีดวงหนึ่งก็รู้ที่จิตด้วยที่ได้จิตนั้นมันว่างมันสว่างขึ้นมาเหมือนกับพระโสดาบันนะพระโสดาบันพอเป็นพระโสดาบันแล้วจะไปยทดถือวิจิตรศาสตรสรปตะวรมาเป็นยังไงเหมือนกับว่าพระอาทิตย์กาลังโตแสง ตอนแสงขึ้นมาตีละนิตีละนิดตีละนิดทำให้เบิกฟ้าอย่างนั้นก็เรียกว่าพระโสดาบันทีนี้ดวงอาทิตยกบขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจนปรากฏเป็นทรงกลมเห็นชัดเจนนีคือแสงแห่งปัญญาเนี่ยก็เป็นพระอรหันต์ทีนี้หลวงพ่อก็เลยถามว่าเห็นกี่ดวงดวงอาทิตย์เห็นดวงเดียวเหรอดวงอาทิตย์มีสองดวงไปเห็นดวงเดียว ดวงหนึก็อยู่ในจิตใจโยมนั่นแหละไอ้วงที่สองมันอยู่ข้างนอกนี่บอกก็อย่างนั้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้ดวงที่หนึ่งก็ดูให้บรรลุว่างดวงที่สองก็ดูให้บรรลุว่างนี่ทีนี้พอเกิดอย่างนี้ขึ้นมาคืออลวงพว่อเขาขึ้นไปนอนบนภูเขาดูทะเลจากภูมิเรียงเนี่ยคนทะเลที่เห็นสป็งที่เย้ามรากต มันมีเส้นตัดระหว่างบกกับทะเลนั่นแหละก็พอเกิดจากนั้นก็เอาไปหาท่านอาจารย์อีกพวท่านอาจารย์ว่านี่มันว่างว่างสแคมเปิลกันว่าคือว่างตัวอย่างอย่างนี้ว่างตัวอย่างเป็นไหมนี่คือเรีว่าอากินกัญญายตนะฌานเรนี่พอเราว่างจนเบื่อแล้วอันนั้นก็ว่างอันนี้ก็ว่างแล้วก็ว่าง แต่มันค่อยๆวา่ามันจะว่างอีเดียวปลุกแต่ก็เต็เมนะค่อยๆว่างเพรเราจเจริญวิปัสนาเนี่ยมันค่อยๆว่างทางตาว่างทางหูว่างทางจมูกว่างที่มว่างกายว่างใจว่างามันมีแต่เกิดดับว่างเกิดดับว่างเกิดดับว่างตาเกิดตาดับตาว่างนะเพืาะตามทํงานาที่ตาเกิดตาดับตาว่างปล่อวางแล้วตาจะเริ่มไปรูปเกิดแล้วส รูปเกิดรูปด cool ับรูปว่างจากกูวิญญาณเกิดก่อนจากกูวิญญาณดับจากกูวิญญาณว่างปัจจัยการกระทบเกิดการกระทบดับการกระทบว่างเวทนาความพอใจเกิดความเวทนาที่เป็นสุขความพอใจเกิดความพอใจดับความพอใจว่างเราทิ้งอะไรมันริ้งอะไรไม่เอาแล้วทุกข์กมัทุกข์เวทนาทุกข์กเวทนาเกิดทุกข์เวทนาดับมันไม่ดับที่ มันยึดมั่นถือมันแล้วเลยเป็นทุกข์อยู่นะเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวคนดับเดี๋วคนหนักเดี๋ยวคนเบาเดี๋ยวคนหนักเดี๋ยวคนนั่นทุกขเวทนาอันนี้เวทนาที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกขนั่นเรียกว่ามันคลือคลือมันคลือคลือมืดก็ไม่ใช่ะว่างก็ไม่ใช่โปรปลมันโปรปลอะไรก็เรียกว่าโง่ทุกขมาทุกขเวทนาคือโง่แต่นั้นเวทนาเกิดเวทนาดับเวทนาว่าง ต้องเห็นว่างทุกจุดทุกจุดที่ตาก็ว่างที่หูก็วางที่สมมงก็ว่างลิ้นก็วางกายก็วางใจก็ว่างนั่นคือวิปัสสนาเป็นวิปัสสนาแต่ถ้าเป็นสมถะยังไม่วางเป็นแค่เห็นว่างวัตวิภ พ, พแค่นั้นเองยังไม่ถึงยังไม่ถึงขั้นหลยังไม่ถึงขั้นพระโสดาบันก็ยังเป็นไม่ได้ นั่นคืออากินสัญญาญาตนะทีนี้พอสุดท้ายเรียกว่าเนวสัญญานอาสัญญายาตนะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่บอกไม่ได้ว่ามีก็ไม่ใช่ไอ้ไม่มีก็ไม่ใช่เราจะเอาข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้พอเบลบอกว่าจิตมีอ้าวไอ้จิตมีคุณเอาจิตออกมาดิกันจะเป่าจิตนั่นอ้าว อออกไม่ได้เป็นยังไงมันไม่มีอา้าวมันก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้เหมือนแต่ว่าพระสังกายยกองค์ที่สององที่สอ ง, อ ง, ส อ, งองที่หนึ่งคือพระโพธิธรรมองค์ที่สองคืออะไรจังชื่อไม่ก็ได้เพราะพระโพธิธรรมนั้นไวแสดงธรรมอีวัดแรกในประเทศที วัดนั่นก็เป็นวัดของพระจักรนายกองค์ที่สองนะั่นแหละตอนนั้นก็ยังเป็นเป็นพระธรรมดาที่ยังมีเล่นชานอยู่นั่งที่บนธรรมาะมีญาติโยมนั่งฟังกันเต็มพระจักรนายกกอง์ที่หนึ่งไปไปถึงก็นั่งหางแถวหางแถวถึงก็พูดผิดผิดถูกถูก ถ้าพูดตูพระโพธิธรรมก็พยายักหน้าถ้าพูดปิดก็สันตีสัะทีนี้พระที่อยู่บนธํา ม, มาเนี่ยในอนาคตถ้าท่านเป็นพระสางนายกองที่สองท่านไปเลยจันทิสามบางพยายามหน้าบ้างสันทิสาวางพยายามหน้าบ้างถ้าเห็นถ้าองค์นี้มาจากไหนเดี๋ยวเดูล ง, ลงจากธรรมะเดี๋ยวี้จะไป ตอดเขเี้ยวแค่เลยพระองค์นี้ทันี้ในขณะที่ท่านกําลังนั่งเทศอยู่รอธรรมดารับแขกเนมก็อยเนมรับแขกแนมก็น้ําจามาเสิร์แต่พระรูปนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครหรอกท่านก็ดื่มน้ำชาตอดเขเี้ยวใส่ในแก้วน้ําจาท่านปล่อยแล้วอขไปแล้ว แต่ี้ทางนี้ก็เทศจบรงจากธรรมะก็ตามใน อ, องพระองค์นั้นไปไหนแล้ววะที่นั่งกันศีลาบ้างพรยักหน้าบ้างาไปแล้วครับนี่ต่อเที่ยววางเลได้แก้วน้าําจารอย่างนี้เราแค่คิดเองรู้แล้วไม่ธรรมดาพระนี้ไม่ธรรมดานี่เห็นไหมไม่ธรรมดา ท่านก็ไปยืนอยู่ที่ริมแม่น้าจะขล้าไปขวโนนอหลวพ่อวพ่อหล ว, พหลวพอองพ่อจะกล้าไปขวาโน้นเหรอใช่อ้าไม่ยากเดี๋ยวผมจัดการเองเรื่องเรือท่อหมวกหมวกควาเจเปาเป็นเรือลเลยริจานแล้วเริ่นกลนแล้วขอเล่นกลนแล้วพระบรทิตย์เอาอุดไปเลยเราแยกทางกัน ไปคนละทางกันเห็นไหมเนี่ยบ้าแล้วเห็นไหมนั่นแหละบ้าแล้วสมเด็จโตนะท่านบอกว่าวเวลาไอ้โตดีมันว่าไอ้โตบ้าพอไอ้โตบ้ามันไอวโตดีเห็นไหมนี่แหละมันเป็นอย่างนี้นีงพระพุทธที่ทำก็เดยแยกทางกันเพราะว่าพระรูปนั้นเล่นชานเล่นชาน เศษบวกวางให้เป็นเรือก็ได้เศษอะไรก็ได้ได้หมดแหละเศษได้หมดได้ต้องการอะไรก็หมดแหละท่านก็ไม่ยุ่งด้วยท่านก็ไปแยกทางคนละทางเป็นสิบปีที่พี่ป๋ออยู่มาอยู่หมาเนี่เป็นยังไงอยู่มาก็เลยรู้อ๋อเรานี่มันผิดแล้วหลงฌานหลงฌานที่เรียตามาที่นี่ตามาพระโพธิธรรม ตามหาพระโพธิธรรมสิบปีที่ตามหาอยู่เอาบาดกอุ บ, บ, อบธติกาบริวารไปด้วยในกณหนนั้นโอริมะกำลังตกหนักตกลงแค่เขารู้ข่าวว่าพระโพธิธรรมอยู่ในถ้ำผู้ขอแหงหนึ่งก็เลยไปหาพอไปหาท่านท่านก็นั่งหันหน้าก้าวหาถ้ำหนังถ้า อันหลังให้อัน้พระรูปนี้ก็ได้ติดมาหลองพอ่อผรมเจอหลวงพ่อตั้งแต่นู้นแหละนี่เจปีแล้วเจยวตามหมาหลวงพ่ออยู่แล้วคุณมาทำไมหลวง้อ ม, มาต้องการที่จะห้หลวงพ่อเนี่ยจิตของผมให้สงบที่หลวงพอ่อไหนคุณมีความจริงแค่ไหนเนี่ย เอ๋ออะไรเป็นประกันเนี่ยปลาูกนี้เขาไม่ตัดแขนเสียอยางผานไหนก่อนอกเกลงออนี่จริงอย่างนี้จริงอย่างนี้พระพูทที่ทํางกถ้าคุณจะเอาได้ยังไงให้ท่านช่วยทำจิตของผมให้สงบทีคุณเอาจิตออกมาอย่างั้ แต่ไม่ก้นหอยจิตออกมาพอเสร็จแล้วอยู่ตรงหน้อยเนี่ยจิตจิตมันไม่มีเนี่ยครับอเอทำแล้วแต่ไมเพราะฉะนั้นชานองสุดท้ายเดวสัญญาณาสัญญ า, นะญญายาตนะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่เพราะอะไรใจใจก็คือจิตอะไรใจธรรมารมณ์โนวิญ ญ, ญาณปัจจามวธนา ใจเกิดใจดับใจว่างธรรมารมเกิดธรรมารมดับธรรมารมว่างมนวิญญาณเกิดมนวิญญาณดับมนุวิญญาณว่างปัจจาเกิดปัจจาดับปัจจาว่างเวทนาเกิดเวทนาดับเวทนาว่างเพราะฉะนั้นมีก็เข้าไปยึดถือไม่ได้ไม่มีก็เข้าไปยึดถือไม่ได้ว่างทางนั้นว่างกากลัวตนทางนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลย พัฒนาต่อยอดต่อยอดจานตั้งแต่โน้เน่ยตั้งแต่ฌานแรกๆจนมาถึงแนวสัญญาณาสัญญาญาตนะคือดอรูปฌานแบบนั้นไอ้นี้พระทิ่เกรงกล้าที่เป็นกล้าท่นานจะอยู่เงียบๆท่านจะอยู่สบายพอได้ฌานแล้วได้อะไรแล้วท่านกนะ็อยู่เงียบๆหน่อยก็เรียกว่าเก้า นิโรธสมาบัติเฮพระอรหันต์ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็อยู่เล่นๆนะเล่นเๆก้าวีิโรจสมาบัติอายจันท้าจนเบื่อแล้วจันทุกวันทุกวันไม่ต้องทาอะไรกันอยู่นิ่งๆมั่งก็เลยข้าวีิโรธสมาบัติก้าวีิโรจสมาบัตทํากิจนิ่งนิ่งเลยก็คือดับดับมีลมหายใจนิดนิด เร่ว่าสเตนบายไว้นิดนิ ด, นดแค่นั้นเองอยู่ได้เจ็ดวันด้วยสิบห้าวันถุนแลแต่ว่าจะอดิษฐานกิตนั่นคือพระที่ได้ิโรธสมาบัติทำแบนนั้นนั่นคือทานพักผ่อนข้ามิโรธสมาบัตินี่คือทานพักผ่อนทีนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็พัฒนามาจากฌานแล้วก็มาเป็นญาน มาเป็นอย่างได้อย่างไรก็ขึ้นวิปัสนาสมาธิเทที่ทีนี้พอพระองค์รู้อย่างนั้นแล้วก็เรือ่องของวันกั็ว่ามีเมืองเมืองหนึ่งเมือง น, นั้ น, นก็จเจริญมากมายแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นยังไงล้างเป็นเมืองล้างมีต้นไม้มีป่าไม้มีอะไรปกคลุมหมดมีนายพรานคนเด็กไปรากสัต แลก็เจอบอไปเ จ, อ, อ, ปเจ อ, อู้มีครบทุกสิ่งทุกอย่างมารายงานกับพระเจ้าแผ่นดินเอามารายงานพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็อยากได้ก็เลยไปพัฒนาเมืองนั้นจนเป็นเมืองที่สวยงามขึ้นมามีที่อยู่ที่าอาจะมีอะไรสมบูรณ์ทุกเิ่งทุกอย่างฉันใดก็ฉันนั้นอริยมรรติองค์แปดเมื่อพระองค์ได้ชานแล้ว พระองค์ก่อนพี่อเองพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนนี่ถ้าเดินทางหน่อยอเดินทางอริยามักมีองค์แปดในอริยามักมีอง์แปดเต็มไปด้วยสมบัติทั้งแปประการนี่แหละอัมมาติีิมีความเห็นอันถูกต้องเห็นอริยสัจเจเห็นกันนาเห็นปฏิจจสมุปบาทจนถึงสมาสมาทิแล้วต่อไปเป็นสรมมตตาสิบ สัมมาญาณสัมมาวิมุตติทีนี้ต้องมีสัมมากรรมกับกรรกับกรรกับเอาไว้เสมอนั่นคือปัญญาเราจะต้องเดินทางปัญญาพอเป็นชานเนี่ยก็ยกขึ้นสู่ยานเดินทางปัญญาเมื่อเดินทางปัญญาแล้วนั้นเนี่ยความรุดพ้นมันก็จะมีขึ้นมาเพราะความไม่ยึดมันม่นกับมั่นเห็นอะไรตามความเป็นจริง เมื่อเห็นตามความเป็นจริงเลยเอเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแล้วก็เข้าไปยึดมันถึงมันก็เป็นทุกข์กันเ่ยเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแต่แสดงมันมีไม่จริงดิมันมีเกิดแล้วก็บรรมีดับอ๋อไม่ใช่แต่นี้เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับ พระอาวิชาดับจังการจึงดับพระจังการดับวิญญาณ์จึงดับนี่พูดกันในเรื่องนี้เลยเดี๋ยวนี้คือพูดเป็นสองสาตัวไปจบแล้วชั่วโมงหนึ่งพูดกันไม่หวัดไม่ไหวแต่วันนี้เล่งในเรื่องของชานนายกรมก็ได้เข้าใจว่าที่ติดกันที่ตรงนี้มันมีเยอะแ ย, ะ เ, ยะเต็มไปหมดพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ไปศึกษาเรื่องชานกับอุตกรดาบฏ พอจบแล้วอุตตกาดาบทก็ยังยึดมั่นถือมันในฌานอยู่เ่อยอยู่นี้แหละไม่ต้องไปไหนแล้วพนาาัางานสอนอยู่นี้เนี่ยข้าวยชาจาิตตกาดาบทท่านก็บอกว่ายังไม่ใช่ที่ชุดท่านจะต้องไปอีกก็เลยไปหาอาราราดาบท็ศึกษ า, ราอรูปฌานพออรูปฌานจบอาราราดาบทก็ เช่นเดียวกันเนี่ยอยู่นี้แหละไม่ต้องไปไหนขออยู่ที่นี้แหละแทนเราเพรอย่างนั้นเนี่ยแทนเราเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ที่นี่ท่านก็ว่าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ทีนี้พอได้ฌานแล้วมันไม่ยากแล้วยกขึ้นถุยปัญนาพอพระองค์จะจะรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้จะไปสอนใครท่านว่โอ้ดีสองดาวบทนี้อุตะกาดาบทอาราดาบท อุตกาดาบดอุตกรดาบดก่อนอาราดาบดกี่หลังสองดาบดสองอาจารย์นี้มีทุลีทุลีคือกิเลสในดวงตาน้อยเรไปเขียนนิดเดียวท่านก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วแต่ที่ไหนได้ทั้งสองรุปทั้งสององค์องค์นั่นก็ตายไปแล้วหนึ่งเดือน อ, องหนึ่งก็เสีชีวิตไปแล้วเกืห้าวันจบไม่รู้จะไปไหนจริงคิดไปคิดมาเออตอนที่เราออกบวชใหม่ๆยังมีปัญจวัคคีย์อยู่ก็นั้นแหละบากหน้าไปหาปัญจวัคคีย์อ๋อบากหน้าไปหาปัญจวัคคีย์ไปเจอปัญจวัคคีย์กว่าจะลงตัวแต่ก็ถอนกันเรื่องกันหน้ากันหน้ากันหน้า รูปเที่ยงไม่เที่ยงเวทนาเที่ยงไม่เที่ยงนี่เห็นไหมนี่ยาวทีนน่นั่นแหละนั่นแหละวิปัสสนาแล้วไอ้ที่เราเรียนแต่สมาธิสมาธิสมาธิกันเต้งบ้านเต็มเมืองแล้วไม่มีใครต่อยอดให้ตกลงมันนั่งแช่อยู่ที่เดิมตรงนั้นะไม่ต้องทำอะไรกันนั่งแช่ที่เดิมนั่งแช่อยู่ที่เดิมแล้วก็ได้อะไรถทำตัวเกตเอี้ปราะว่า พลังจิตมันแข็งพอพลังจิตแข็งพูดอะไรก็คนเชื่อหมดเงินตองก็ไหลมาเทมาโดยบ้าเงินทีนี้พอบ้านเงินเป็นอะไรก็เป็นท่าเงินเแดดไหมแล้วหลุดพ้นไหมเป็นท่าเงินมาหลุดพ้นมานี่เหนจ้างพระั้งโยมนั่นแหละเหมือนกันหมดนี่ต้องขออภัยด้วยอาตมาหลวงพ่อไม่ได้อวดดีหรอกแต่ว่าสงสารมีความสงสาร เราจะช่วยยังไงจนกว่าเราจะตายเนี่ยเราจะช่วยยังไงก็เลยต้องช่วยโดยวิธีนี้เพราะนั้นวันนี้ก็พูดเรื่องฌานที่เรียก ว, ว่าสมบูรณ์ะนะฮะเราเออกไปคิดด้วยออกไปคิดด้วยถ้าเราไปคิดจนจนขึ้นวิปัสสนาได้ก็ลูดออกไปทีนี่อย่างว่านั่นแหละนายปราณไว้ต้อแหลในหนองน้ํา เพื่อที่จะเอานกกระจาบมาแกงขัวนกกระจาบคนที่แท้บางตัวก็รุดออกไปไอ้ที่รุดออกไปมีน้อยไอ้ที่นายพระราษเอาไปแกงขัวหมดหลยหม ด, หมดนี่แห็นไหถูกแกงกั่วกันอันี้พระราษฎหลวงจารย์นี่ยก็คือจะหลวงผู้หญิงหลงเงินหลวงทองนี่หลวงก็คือหลงวงโตปูนั่นแหละหรหลวงโตปูเจ้าเจ้า เอาตอนนี้ยอมมาไปคิดนะาะไปควางนะเอาไปคว้างดูแล้วเอาไปพิจารณาดูว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงแต่มันไม่จริงก็มไม่ต้องเอาไปปฏิบัติก็ได้ต้องโฟงกัสท่าเลยว่าถ้าใครไม่ขึ้นจากนี้ไปแช่อยู่ที่เดิมอ น, นี้ช้านก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นปิดเป็นไฟหมดมันมันมีประโยชน์ ม, นมีประโยชน์มันมีพลังจิตแรง เราจะไปรักษาคนหายรักษาคนได้รักษาคนแต่อย่าไปตั้งใจ้าะเอานั้นออกนี้ไม่ใช่ไปรักษาคน เ, เช่นว่าเลือดข้างในสมองหรือว่าไอเ่ไขมันุดตันในสมองไว้จนก็หลุดทันทีท่านอาจารย์ของคนนั้นแก่กล้าอืท่านอาจารย์ก็เคยบอกองค์ก็ท่านอาจารย์มีอาหารกิงได้นะคนที่ได้จาน นี่ยแล้วมันเป็นอย่างนี้แนละเอาก็ขอจบเอาไว้เท่านี้เราจะได้พปชนะการั้างต่อไป